สามีก็ไม่รู้จะทํำยังไงกับภรรยาวิ่งต้องการไปโต้วาถ้ า, าอับภรรยาที่สุดไปก็ไม่ได้กลับเลยไปก็บวชเลยเห็นไหมนี่คือความตั้งมั่นในพระธรรมตรายถามว่าเมื่อกุศลให้ผลมันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เข้าใจไหมเห็นไหมเมื่อกุศลให้ผลแล้วมันเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้เราเนะี่ยปฏิบัติที่เป็นในฐานะวาสกบาลิกาเนี่ย เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมได้ด้วยสภาพของบุญของเราให้ผลอย่างแท้จริงไหมไม่ใช่ไปบังคับเขาให้เปลี่ยนนะเช่นไปบงการว่าคุณต้องทํานั้นเคยต้องทํานี้เนะี่ยอย่างนั้นมันก็ไม่ได้มีอํานาจบุญอะไรนะถ้าอำนาจบุญมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนเห็นไหมนางปฏิบัติธรรมในสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไหมจากคนมิจฉาทิฏฐิกลายเป็นสัมมาทิฏฐิ อันนี้ยกหนึ่งเรื่องแต่ทุกเรื่องคือการปฏิบัติทำยังไงต้องเข้าถึงยากม่เยอะแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยนะไม่รู้จะปฏิบัติยังไงมันก็ได้แต่ยังไงเอารูปแบบไว้ก่อนนะยังไงยึดรูปแบบวะแต่รูปแบบนี่แหละแต่ไปติดไม่ได้นะรูปแบบเนี่ยเข้าเข้าก็อยู่แค่รูปแบบนั้นเลย สภาพใจก็ไม่ได้ได้ความสุขไม่ได้สมาธิที่แท้จริงเช่นมีรูปแบบสวดมนต์เนี่ยถึงเวลาสวดมนต์สวดไปแต่มันไม่ได้อะกลับมาก็ยังฟุ้งซ่านยังขี้โกรธงุดเงิดบ ย, ยังกลายเป็นคนจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นแก้ไขตัวเองเลยไม่ได้เนี่ยอันนี้พลาดนะอันนี้พลาดเลยนะเนี่ยอันนี้ยกหนึ่งเรื่องเพราะเออมันมั น, ม, นมันต้องใช้เวลาอ้ ชี้แจงค่อนข้างเยอะทต่ที่ประเด็นก็คือว่าพ่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าปฏิบัติแล้วปฏิบัติต่อกันยังไงที่จะเป็นศีล เ, เป็นทานเป็นศีล เ, เออเราคิดถึงกันเนี่ยเอาอามาเนี่ยนะคิดถึงพวกเราพบเนี่ยอามาจะให้เป็นศีลน้องตวเองเนี่ย อายกตัวอย่างหนึ่งคนนะอีกคนคิดถึงอีกคนจะคิดยังไงให้ให้ตัวกุศลศีลมันเกิดเช่นคิดถึงอีกคนนี้ปุ๊บเรามีถามว่าทุกคนมีกระแสะชีวิตัหมมีชีวิตอยู่กันทั้งนั้นไ้ม่นั่งนั่งอยู่เนี่ยในขณะที่เราคิดปุ๊บเข้าไปเนี่ย เราคิดถึงชีวิตเขาเราจะทำศีลข้อแรกให้เกิดยังไงถ้าเราคิดเบียดเบียนเขาคิดฆ่าเขาคิดประทุษร้ายเขาเจตนาที่คิดอย่างนั้นจิตที่คิดอย่างงั้นเศ้ามองไเป็นบาปหรือยงังเรียบร้อยไปแล้วนะแต่ถ้าจะคิดให้ศีลเกิดก็คือการคิดคิดถึงเจตนาฐานเจตนาศีลที่เรา เราตั้งสมาทานศีลบอกเราได้งดเว้นเราได้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทุกประเภทแล้วเราเป็นอุบาสิกาของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นกระแสชีวิตทุกชีวิตเราได้ให้ความปลอดภัยในชีวิตสัตว์ทั้งหลายทั่วสากลและจักรวาลเรียบร้อยหมดแล้ว อย่าว่าแต่กระแสชีวิตของท่านผู้นี้เลยที่เราคิดถึงเลยมันจะเกิดความปลื้มใจเลยนะว่าเราได้งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงทุกประเภทพอคิดถึงกระแสชีวิตของท่านผูน้นี้ปุ๊บล้วก็เลยคิดหมุมว่าอย่าว่าจะคิดเบียดเบียนเลยคิดฆ่าเลยเรากลับคิดว่าขอให้กระแสชีวิตของท่านผู้นี้จงอยู่ยืนยาว มีความสุขเป็นไปตามกุศลรักษาชีวิตของตนเองให้รอดปลอดภัยจากภัยและอุปสรรคอันตรายทั้งหลายทั้งปวงถือศีลเกิดไหมคิดแบบเนี้ยถ้าไม่คิดอย่างนี้เกิดไหยไม่เกิดห้องที่สมาท า, านกันแล้วตายไม่เกิดแ น, น่นอนนะไม่เกิดหรอกสมาทานปุ๊บศีลมันจบไปแล้ว ไอ้ตัวกุศลศีลจริงๆมันจะเกิดขึ้นได้จากการระลึกให้มันเกิดเพราะศีลมันเกิดที่ใจสภาพจิตที่งดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนกระแสชีวิตของสัตว์ผู้นั้นจริงๆและสัตว์ทั้งหลายจริงๆและให้ความปลอดภัยเขาได้จริงๆเกิดขึ้นศีลจึงจ ะ, จะเกิดอันนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติไม่คิดแบบเนี้ยแต่ถ้าคิดบอกว่าขอชีวิตนี้จงวิบัติ จงฉิบหายไปจงวิบัติไปจงมีอันเป็นไปคิดอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไหมไม่นี่คิดเป็นพยาบาทศีลก็ไม่เกิดคิดศีลเกิดก็ ค, คือคิดให้เขาปลอดภัยในชีวิตเนี่ยเราเราไปรักษาศีลกันแบบแค่ท่องไงมันแล้วตัวศีลก็ไม่แข็งแรงในสภาพจิตใจแล้วคุณธรรมจะไปรองรับยังไงไปรองรับคุณธรรมยังไง มันล้มเป็นยี่ปัญหานี้ทั้งประเทศนะที่รักษาศีลกันรูปแบบมันถึงทุจริตคอร์รัปชันเต็มไปใช่ไหมเล่าซึ่งเราก็รู้ว่าสภาพจิตใจของคนทุกวันเนี่ยถึงโหดร้ายกันทุกวันเนี้ยเพราะตัวกุศลศีลไม่ได้เดินจริงไงเอาเรื่องอื่นว่าไปยกไว้เราอย่าไปไกลอย่าไปกังวลเพราะเราเองอยู่ในสภาพย่าแย่จะไม่ได้จิตใจเราเนี่ยเรารักษาศีลให้มันเจริญมาเป็นเนื้อเป็นตัวเราได้จริงๆได้ไหมให้เป็นศีลได้จริงๆได้ไหม เพราะทั้งหมดเหล่านี้เพื่อการขัดเกลานนะเพื่อการขัดเกลาตัวเองจริงๆนะอยากไหมยอมเจริญศีลแบบเนี้ยรักษาศีลแบบนี้าบบนยากไหมถ้าสมาทานเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ได้มาปรุงแต่งจิตให้เป็นศีลเลยมันจะเป็นได้ไหมเอานี้บ้านหลังเนี้ยยอนซ้ำรวยจอดจังเลย <c oughs> บ้านหลังนี้ย นี่นะถ้าบอกเอายอมสำรวยสร้างบ้านแล้วถือจอบถือเสียบมาขุดสองครั้งแล้วกลับไปนอนมันจะกลื่นเป็นบ้านได้ไห ม, ไมไแล้วศีลที่ไปสมาทานเบเสร็จปุ๊บแล้วไม่เอามาระลึกให้ต่อเนื่องมันจะเป็นศีลได้ไหมมันจะเจริญได้ไหมมันไม่ได้หรอกศีลน่มันไปนสมาทานเน่ตั้งใจที่จะรักษาเบเสร็จ กิจกรรมนั้นมันเป็นกิจกรรมเริ่มต้นก็เหมือนกับปลูกมเมล็ดได้มเมล็ดมาแล้วเนี่ยต้องมาปลูกให้มเมล็ดต้นเมล็ดพืชนี้มันจเจริญงอกงามแล้วตอนนี้ดูกุศละศีลที่มันจเจริญงอกงามมาในกายในวาจาในใจเราไหมแล้วมันเกิดจริงไหมสภาพจิตใจมันดีขึ้นไหมเมื่อสภาพจิตใจมันดีไม่ขึ้นก็แปลว่าศีลมันไม่เกิดเมื่อศีลไม่เกิดไปเดินทานกุศลทานกุศลก็มีผลต่ํา บางทีโยงเอไปลูกอายุตายนี บ, น บ, บางทีเนีน่ยสิขัดากโยงปากก็ประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องสภาพจิตใจเนี่ยรู้ยากบางคนน่ะแกล้งเผลอไปลูกจริงๆรินั่นมัเใช่ไหมล่ะพอ ก็เป็นบ่งบอกถึงการขาดสติไงดเ<า>พราะอะไรรู้ไหมเราเป็นผู้ที่จิตใจเรายังจิตใจไม่ดีไง <c oughs> เขาตัวเล็กนิดเดียวแค่นั้นนะแค่เขาจะมาเกี่ยวข้องแค่นิดหน่อยเราโหเราเราห่วงมาก ปากแล้วก็บอกมอบตนมอบมอบตนถวายแด่พระเจ้าแล้วแต่ในใจแล้วใครยังมาว่าเราเนี้ยใครยัมาแตะต้องใครยัมากินเลือดเราเนะเราไม่ได้ถวายพระเจ้าจริงเนี้ยใช่ไหมถ้าถวายจริงๆมันคนละเรื่องกันใช่ไหมล่ะเพราะศีลเนี่ยสําคัญกว่าชีวิตศีลเนี่ยสำคัญกว่าชีวิต ก็ถึงบอกถ้ากรณีที่คนที่เขาเจริญตัวผูุ้รศีธาแข็งแรงเนี่ยพราะเขาคิดเรื่องชีวิตตลอดพอคิดเรื่องชีวิตตลอดกระแสชีวิตของศาต์ทั้งหลายที่มีชีวิตจึงเป็นอารมณ์ของจิตตลอดเมื่อคิดตลอดเบสเซ็ตก็ให้อภัยตลอดให้ความปลอดภัยเขาตลอดเวลาเขาจะมาเกี่ยวข้องจะปัดเขายังต้องค่อยๆปัดเลย เพราะกลัวจะไปถูกเขาตายอันนี้บ่งบอกถึงสภาพใจในที่เข้าถึงคุณธรรมแล้วเข้าถึงแล้วเดี๋ยวว่าวเด็ด ใ, ใครนิดหน่อยก็ปัดและอย่างหงุดหงิดอย่างฟุ้งซ่านเลยเนี่อันนี้แปลว่าจิตใจมากไปด้วยความโกรธมาไปด้วยความยึดติดตัวกุศลจิตไม่ได้แข็งแรงจริงฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องอบมรมฝึกฝนเพียรพยายามต่อไป ถ้าชั้นศีลบอกพ่องแล้วที่จะไป น, นั่งเจริญภาวนาก็าจะรู้ชัดเลยเป็นภาวนาปลอมไม่ใช่ภาวนาจริงนะถ้าภาวนาจริงๆแปลว่ามันอยู่บนชั้นฐานของกุศลศีลที่แข็งแรงกุศลศีลที่แข็งแรงมันจะกว้างขวางในกระแสชีวิตทุกชีวิตมันเป็นอย่างนั้นมันจะมองชีวิตทุกชีวิตมันรู้สึกรู้สึกเมตตามเยอะจะมีความรักความปรารถนาดีความเอื้อทอนแบบจับจิตจับใจมันเกิดขึ้น เ, เ, เ, เข้าใจกระแสชีวิตเขากับกระแสชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ต่างรักสุขเกลียดทุกข์อ่ะไม่ต่างเห็นใจเขาก็เห็นใจตนเองนมันเท่ากันเพราะะนั้นถ้าจะเบียดเบียนเขาก็เบียดเบียนตัวเองจึงไม่ทําทั้งสองกรณีเราก็รักสุขเราก็ปราบไม่ปราถนาทุกข์สัตว์ทุกชีวิตก็รักสุขไม่ปรารถนาทุกข์เขาเพียงแต่อาศัยเนื้อเราสักนิดหนึ่งเนี่ยเลือดสักนิดเดียวแค่ น, นี้ใช่ไหม ถ้าเราจะปัดเขากลัวจะติดเชื้อโลกเขาก็มีวิธีการไม่ใช่ทําอย่างคนมีโทรศัพว์ศีลมันไม่ใช่รูปแบบอย่างเดียวไงแต่ศีลมันคือการเข้าใจและเข้าถึงจริงๆแล้วสามารถเอามาเป็นเนื้อตัวแล้วมีศรัทธาเชื่อมั่นในศีลจะรักษากะระแสชีวิตของตัวเองให้ปลอดภัยจากอัยภูมิได้จริงแล้วก็จะปลอดภัยจากสังสารวัตได้จริงถ้าไม่มีตัวกุศลศีลอย่างแท้จริงเนี่ย เราจะตกไปสู่ใบยภูมินะที่พูดมาเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าทานศีลภาวนาไม่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อความสงบของจิตได้แค่จะหวังสุขติพบก็ยากแล้วไม่ต้องพูดถึงนิพพานมักผลนิพพานนะเพราะทานกุศลยิ่งให้ทานยิ่งหงุดหงิดง่าย จริงรักษาศีลก็มีแต่ทิศทีมีแต่รูปแบบแล้วจิตก็ไม่ได้สงบจริงพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงจริงพฤติกรรมของเราที่ผ่านมาเป็นพฤติกรรมของบุญชนบุคลิกที่แสดงออกมาทั้งหลายเป็นบุคลิกของบุญชนที่ไม่มีสภาพจิตใจที่ดีคอยจัดสรรคอยดูแลแต่การมาฝึกขัดอบรมในครั้งนี้ ต้องการฝึกหัดสภาพจิตของเราให้มันดีเพื่อเปลี่ยนแปลนบุคลิกที่แสดงออกให้เป็นไปกับสุจริตถ้ามันไม่ได้สุจริตจริงมันได้เฉพาะการเฉพาะการอย่างนั้นเขาเรียกการปฏิบัติมันยังกระท่อนกระแท่นอยู่ยังไม่สามารถทะลุทะลวงได้ทุกมุมทุกมุมนะทุกเรื่องราวในกรณีการเกี่ยวข้องยานปฏิบัติทำมันไม่ใช่ก็ะปิบบเป็นกระจุกกระจุกนะ เช่นตอนนี้นั่งฟังธรรมกับปฏิบัติธรรมแต่พอกิจกรรมการฟังธรรมหยุดปุ๊บการปฏิบัติธรรมมันหายไปเลยไหมหายหรือเปล่าแม้เดินไปเนี่ยยังจะต้องมีการเป็นไปกับคําสอนอยู่ไหมแม้การไปกินอาหารแม้การจะใช้คําพูดแม้การจะเข้าห้องน้ําแม้การจะใช้เสื้อผ้าแม้การจะมองสิ่งต่างๆแม้แต่จะเดินแม้แต่จะนอน กิจกรรมของการเดินไปกับกุศลมันจะเป็นไปทั้งระบบนะทั้งองคาพยพเลยเนะถ้าคนปฏิบัติธรรมะที่มันถูกต้องนักหนักใจไว้เยอะหนักไหมนม่หนักเนาะต้องไหนมันไม่มันยังยังติดติด ต, ตันอยู่ว่าถามกันนะถามพระท่านพระท่านก็จะบอกบอกเป็นมุมมุมมุมไปทีนี้พอมันคล่องนะ อ่าหนึ่งมันมาจากสภาพจิตใจที่ตั้งไว้ถูกสภาพจิตคุณภาพของจิตมันดีมันมีสองส่วนไหมคุณภาพของจิตที่เสียกับคุณภาพของจิตที่มันดีถ้าสภาพของจิตที่มันดีแล้วได้ข้อมูลที่ถูกต้องให้บุคลคลที่แสดงออกทางกายทางวาจามันก็จะเป็นใบกระบุญถ้ามันสภาพจิตที่เสียก็จะเป็นใบกระบาา Blue ในกายกรรมก็เปน็นบาปวิจิกรรมก็เป็นบาปมโนกรรมก็เป็นบาปการแสดงของก็การพฤติกรรมที่แสดงของก็เป็นบาปหมดเลยเพราะเป็นบาปเป็นเสร็มันก็ผลของบาปก็ให้ผลกันอยู่ทุกวันเนี่ยทุกวันเน่ยผลของบาปก็ให้ผลกันตลอดเลยเราเป็นตัวเปิดช่องให้มันตลอดบาปก็ให้ผลตลอดไปที่ไหนก็เดือดร้อนปฏิบัติปฏิบัติกรรมก็ผิดการเจริญกุศลเนี่ยก็คือการประพฤติปฏิบัติปัจจุบันิกรรมให้มันถูกให้เป็นกุศลให้ได้ให้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นได้แล้วเพียรพยายามไม่หยุดนิ่งที่จะทำให้สภาพใจเท่าเด้งนั้นตั้งมั่นในกุศลให้ได้อย่างทุกกรณีและทุกเหตุการณ์แม้หลีกเล้นก็สามารถอยู่กับความสงบได้อยู่กับยานปัญญาที่เชี่ยวชาญได้แม้ออกไปสู่สภาพสังคมก็สามารถเชื่อมโยงยึดแล้วก็เป็นไปกับการปฏิบัติธรรมได้ยากไหมทาแบบนี้ นี่จะหมดเวลาแล้วแต่ว่าการปฏิบัติธรรมไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้นะเดินไปค่ควรยังไงวางใจยังไงพูดจาให้เป็นการปฏิบัติธรรมยังไงกินอาหารอยู่ในอาการที่สงบวางจิตยังไงกับการปฏิบัติธรรมนะแล้วก็เกี่ยวข้องแม้เวลาเหมือนเวลานี้พักจริงการปฏิบัติธรรมมันไม่ได้พัก เพียงแต่ว่าคลายจากการอยู่ร่วมกันแต่ไปอยู่คนเดียวแล้วทำจิตให้เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างไรเวลาโทสะมันจะเกิดเวลาอยู่เกี่ยวข้องกันาวางใจยังไงที่จะละได้โดยง่ายโดยสะดวกโดยพลันทั้งหมดนั้นคื อ, ค, อคือการต้องทำให้เป็นทุกเรื่องทุกกรณีก็ก็หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บางที่จะเอาไปใช้ให้ได้นะโดยใช้ให้เกิดประโยชน์ จริงาาบางคนนะบางคนนะไปคิดว่าตนเองไปปฏิบัติพอกลับมาก็ยังกลายเป็นผู้พูดเยอๆอยู่นี่แหละ น, นี่ไม่ใช่ไม่ใช่กลับไปเป็นแม่ขี้บ่นยังไงไปที่บ้านกลับเป็นแม่ขี้บ่นอย่างเดิม น, น, นี้ไม่ใช่จุกจิกจู้จี้บงการยังไงก็ยังเป็นจุกจิกจู้จี้บงการอยู่อย่างนั้น อย่างนี้ไม่ใช่แล้วทานปฏิบัติรู้เนี่ยดีคำสอนเนี่ยนแต่รู้แล้วต้องเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์เองดีถ้าใช้ยังเกิดประโยชน์ไม่ได้หรือทำกุศลให้เกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าเราเสียหายแล้วเนี่ยเอาละสมควรเนยวเวลานึ่มีใครจะถามอะไรไห ม, มโยตนตกใส่เอาไว้ลูกแล้วก็ ย, ก ย, วย่าโยม อ๋อหมายถึงว่าในขณะฟังธรรมแล้วไฟไหม้บ้านโยมอยู่ตรงนู้นไม่ใช่ไหมหลังนี้ออมหมายอะไรถ้าต้องดูว่าไปแล้วมันดับได้จริงหรือเปล่าตามดับแรกเขาให้ดับไฟในใจก่อนอยู่ไม่ช่ไปดับไฟข้างนอก ไอ้ไฟข้างนอกนะ่ะมันไหมมาทุกอัตภาพนี่นหลยแต่ไอ้ไฟในใจเนี่ยที่เราดับไม่ได้นั่นปัญหามันเยอะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้ให้สังเกดตดูนะว่ามีคนถวายถวายกุฏิถวายได้พระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วต่อมามีคนไปเผาทำไมเจ้าของเขาดีใจเขาสาธุเพราะเขาจะได้เดินทานกุศลใหม่นี่คือคนเข้าใจไงแต่ถ้าอย่างเราก็โกรธตายใครเผา แจ้งความตำรวจจับใช่ไหมล่ะคนละเรื่องเลยคนเขาเข้าถึงว่าทําเขาเข้าบุญมันสําคัญกว่าชีวิตบุญมันสําคัญกว่าทรัพย์มันสําคัญกว่าวายวะสําคัญกว่าญาติมิตก็ขนาดเวลาจะเดินทานกุศลต่อหน้าพระเจ้าก็หรือจัต่อประสงค์สามีและลูกถูกยิงตายมีคนใช้เจดหมายมาบอกเธออ่ า, อานไปใดเสร็ก็เกลียดพับแล้วนั่นว่าจิตใจก็มั่นคงไม่เคยหวั่นไหวเลย และยังประกาศรายงานต่อพระเจ้าเลยว่าสามีลูกตายในสมรภูมิลบแต่จิตใจของข้าพเจ้าไม่ไม่หวั่นไหวเลยไม่สะทกสะท้านเลยเพราะคิดมาตั้งนานแล้วว่าชีวิตมีความตายเป็นธรรมดาแก้ไขไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดว่ากุศลที่จะต้องไม่ให้เสียไปจากใจกุศลความตั้งมั่นในพระธัรนชัยเป็นสิ่งสาคัญที่สุด นั้นตรงนี้ก็คือแล้วก็ดูแบบอย่างอาริยชนอุบาสิกาวาสกในสมัยขั้งพุทธการเป็นแบบอย่างแล้วก็ฝึกขัดเพื่อจะเข้าถึงเพื่อจะให้ได้ตรงนั้นเอาแล้วหมดเวลาแล้วสมควรเก็บเวลาแล้วขอโมทนากรับพวกเราทั้งหลายนะให้ตั้งใจในการที่อยู่กันนี้ก็ให้ประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทุกทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินนะก้าวไปถอยกลับพูเข้าเหยียดออกแลตรงแลเหลียวการกินการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการใช้ของใช้ทั้งหลายเสื้อผ้าการยืนเดินนั่งนอนตื่นหลับพูดนิ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้พระพุทธเจ้าสอนทุกเรื่อง สอนทุกเรื่องจนถึงเวลาลมหายใจจะขาดพุทธเจ้าก็จะสอนว่าเราจะวางใจยังไงตั้งหลักยังไงของชีวิตฉนั้นพุทธเจ้าสอนทุกเรื่องเวลาจะพูดจาจะอะไรต่างๆให้เป็นไปกับพระธรรมคาสอนให้สมาทานในใจว่าข้าพเจ้าจะเดินตามพุทธโอวาสของพระบรมศาสดาอย่างเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวจะไม่เดินออกนอกแถวคาสอนที่พระพุทธเจ้าทรงวางหลักไว จะไม่ทำตนเหมือนลูกนกมูลไถ่ที่ไม่เชื่อคำสอนของแม่ที่สุดจริงๆก็โดนเหี่ยวเชี่ยวเอาไปกินแต่ตนเองจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในคำสอนของพ่อของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะเดินตามคำสอนเพราะเชื่อมั่นว่าจะปลอดภัยในปัจจุบันภพและในอนาคตภ พ, พแล้วจะได้เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การบรรลุ พนิพพานคือความพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงขอความปรารถนาดีของเราท่านทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อความสมหวังและเป็นปัจจัยเครื่อหนุนให้เราปฏิบัติในจารีตศีลในการปฏิบัติธรรมะในการปฏิบัติต่อกันและกันในสังคมและสามารถพัฒนาสู่วาริตศีลคือศีลที่มั่นคง เป็นศีลที่เป็นหลักที่จะทําให้พ้นจากกายภูมิและพ้นจากวัฏทุกข์และเข้าสู่สมาธิที่ตั้งมั่นและเป็นปัจจัยต่อวิปัสสนาปัญญาอย่างแท้จริงขอให้กระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายจงเดินในทานศีลภาวนาที่แท้จริงออกจากทานศีลภาวนาที่ปลอมๆและเข้าถึงพระรตาตนะตรัยอย่างแท้จริงเป็นปัจจัยการได้มาซึ่งความพ้นทุกข์คืออนุ ป, ปาทาปนปณิพานธด้วยกันทุกท่านทุกประการเถิดสาธุ